ขอความเจริญในธรรมจุมีใดท่านผู้ฟังเท่าไรแต่ร่มพระโพธิญาณในช่วงนี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในเทศกาลวิสาข บ, บูชาแท้ที่จริงแล้วเราก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกเพราะันก่อนที่จะประรบเรื่องอื่นก็จะเล่างานในแต่ละวัน ก็โดยสรุปนะฮะเพื่อเชิญชวนยักชวนท่านพุทธศาสนิกชนให้เตรียมกายเตรียมใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นการสรสร้างความรู้ความเข้าใจในสายต่างๆก็ม่มายความมีสื่อทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนะฮะแล้วก็ให้ความสุขใจความสบายใจ เราสามารถจะเลือกได้โดยการดูก็ได้โดยการฟังก็ได้นะครับโดยการสัมผัสก็ได้คือโดยการลิ้มโดยการชิมก็ได้งานที่เกี่ยวกับการลิ้มการชิมคืองานกวนข้าวทิพย์่นเป็นงานที่ท่านจ้าคุณพระธรรมสิริชัย เป็นประธานดำเนิน ง, งานมาตั้งแต่เรามีงานตํปดาหส่งเสริมพระพุทธศาสนานะ่ยไอ้ข้าวข้าวชิปเนี่ยในที่บางแห่งก็เรียกว่ายาขนมในที่บางแห่งเรียกว่ามัุปายาตก็เป็นแนวสืบต่อมาจากเข้ามัุปายาที่นางสุจดาถวายแกพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเดชะสัตรู้ สมัยนั้นก็เรียกว่ายังเป็นพระโพ ธ, ธิสัตว์อยู่นะท่านเล่าวิธีปรุงในรู้สึกว่าแม้ลงทุนจังแล้เป็นขนมที่ต้องใช้คนเยอะเข้าร่วมกิจกรรมกันถึงจะทำได้เคยไปดูท่านจ้าคุณประกอบพิธีในแต่ละปีเนี่ยเป็นมหากรรมแล้วก็ในเวลาจะผ่านมา วันนี้ก็เป็นวันมานอาิตแล้วจริงเราเริ่มมาจากวันพฤหัสก็มีการเตรียมเครื่องเข้าชิปข้าโรมนทนพิธีแล้วก็ประกอบพิธีกอดเราประสงฆ์รงสมณศักดิ์สิรูปจเจริญพุทธมนต์แล้วก็สาวพุมจารีนรับศีลมาจนถึงเวลาสิบเก้า จ, จ, จ, จุดนนสาวพรมมารีนำขุดมะพร้าวผู้ร่วมพิธีทุกท่านก็ร่วมกันขุดมะพร้าวเวลายี่สิบสี่จุดศูนย์เก้านสนเวทราชาคณะประกอบพิธีนำน้ำพึ่งลงกระทราชาคณะเปลี่ยนทำเก้าประโยชเก้ารูปจเจริญชัยมงคลคาถาในช่วงวันนั้นก็แต่งกายสุภาพนะ พอมาถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดเนี่ยก็มีการประกอบพิธีบวงสวงเทพ ย, ยดาตั้งแต่ตอนเช้านะแล้วก็เวลาศูนย์เก้าจุดูนศูนย์นอกรนำเครื่องเข้าทิพย์ลงกระทะแล้วก็กวนต่อไปเ ว, เวลาเวลาสิบห้าจุดูนย์ูนย์นำเข้าทิพย์ที่กวนแล้วลงสู่พาชจนะเพื่อ น, นำไปห่อและประกอบพิธีเจริญชัยมงคล เวลาสิบเจ็ดจุดศูนย์ศนนพระสงฆ์ทรงสำรรนักสิบรูปเจริญมาพุทธมนต์สาวพรมมารีรับศีลเวลาสิบเก้าจดศูนย์ศูนนอสาวพระมารีนำขูดมะพร้าวผู้ร่วมพิธีทุกท่านลงขูดมะพร้าวแล้วก็เบญยาที่สี่สมเด็จพระราชาคณะก็ประกอบพิธีนำน้ำพึ่งลงกระทะ ในวันที่28ซึ่งเพิ่งผ่านไปนี่ก็นำเครื่องเข้าที่บลงกระทะแล้วก็กวนต่อคือกวนกันเป็นหมากรรมก็นานนะนะใช้เวลากวนกันนานแล้วคนก็ต้องมีแรงพอสมควรนำก็ที่ที่กวนแล้วลงสู่พระเจาเพื่อนำไปหอ่อประกอบพิธีเจริญชัยมงคลในคืนตอนนี้คือวันที่19เนี่ยนะ ก็ได้เคลื่อนย้ายเข้าเข้าวทิพย์ทั้งหมดหรือข้าวมรดุปรายาทั้งหมดเดไปห่อนวัดอรุณราชวรารามราดบวระอุหารทีนี้วันวันที่หนึ่งก็เป็นวันกรมังกรอย่างที่ว่าเราจะมาพูดถึงวันที่สอง วันที่สองนั้นเป็นวันอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยจะเริ่มพิธีบวงสวงเทพยดาเพราะว่าในช่วงตรงนี้มักจะแดดร้อนจัดแล้วก็เกิดพายุแล้วก็ฝนตกไม่รู้ อ, อะไรจะเกิดนะเพราะฉะนั้นท่านก็ทำพิธีแบบโบราณเนี่ยก็จะมีการบวงสวงเทพยดาเป็นพิธีพราม วัดรุณราชวารามก็เป็นผู้รับชอบเสด็เดือกันและประธานก็จุดทุบเทียนบูชาประตนะไกรเลขรัมตรีมาไทยนะฮะเป็นประธานจัดงานนายกมงตรีเป็นประธานอ า, า น, น, ยย น, า น, น, นวยการเลขรมตรีมาไทยเป็นประธานจัดงานรองนั้นพวกปลักกระทรวงมาไทยประหลักกระทรวงศึกษาธิการเป็นต้นเนี่ยก็เป็นกรรมการประธานก็บูชาพระสยามเทวาธิราชบูชาพระฤาษบูชานวารคุณ และจุดเทียนชายบูชาเครื่องสังเวยบูชาเครื่องบวงสวงอันนี้ก็เป็นพิธีกรรมที่ไปดูไปชมเอาไว้นะครับเพราะว่าเป็นประเพณีที่เราปฏิบัติสืบต่อกันมาอาตมาเองแต่ละปีแต่ละปีนะฮะทั้งๆที่เป็นเลขาธิการในการจัดงานแต่ว่าไม่เคยได้ไปดูไม่เคยได้เข้าไปร่วมก็ตั้งใจเอาไว้ว่า ทีเนี้ยจะจะไปร่วมเพราะว่าผู้ใหญ่สองลูกคือเจ้าวาดวัดมาธาตุกับวัดอรุณเนี่ยชาราลงไปมากไม่แข็งแรงเลยก็ต้องออกอยู่ออกไปอยู่ท้องสนา ม, มหลวงก็เป็นหลักให้แก่พวกน้อ ง, อ ง, กงกๆก็ทำงานกันพพระนุ่มนุ่ก็ทำงานกันเ อ, อในวันวันที่สองนั่นแหละตั้งแต่เที่ยงไปเนี่ย จะเริ่มเทศนามหาชาติแต่มหาชาติมันจะจบเป็นตอนๆไปเพราะงั้นในกิจกรรมในภาคภาคสนามเนี่ยจะมีกิจกรรมอย่างอื่นอีกเป็นอันมากซึ่งก็อาจจะต้องนำออกมาอ่านออกอากาศในช่วงที่มีการถ่ายทอดเพราะว่า สถานีพิทุพลหนึ่งเนี่ยก็คงจะเข้าไปอยู่ประจำที่ท้องสนามหลวงตลอดตลอดทั้งเจ็ดวันแล้วก็มีการถ่ายทอดได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเราจะพึ่งสถานีพิทุอื่นเนี่ยค่อนข้างยากแล้วเขาก็มีงานของเขาเหมือนกันในวันวันที่สองเป็นวันที่เริ่มเทศคาถาพัน คือเป็นบาลีล้วนๆ น, นะครับคาถาพันนั้นเป็นพระคาถาที่ปรากฏในปัจจัยบิดกไปใจจัยิกเล่มที่ยี่สิบเจ็ดเป็นคาถาเป็นบาลีล้วนๆแล้วต่อมาท่านก็แปลออกมาเป็นภาษาในหมาชาตินะแต่หมาชาตินี่นาานนก็แปลแบบแปลแบบขยายความ แปลร100อ้อยนะครับเกิดจะขยายความออกไปเกิดตามปกติแล้วเรามักจะฟังหมาชาติในแนวที่ต้องการพบศาสนาภระสีอานเพราะว่าในเรื่องมิดินปัญหาไม่ใช่เรื่องพระมาลนะัยเนี่ยพระมาลัยได้บอกไว้ว่าถ้าใครต้องการเกิดไปพบศาสนาประสิยานก็ให้ฟังหมาชาติการคาถาพันธุ์และกัน ร, รายให้จบในวันเดียว แล้วก็จะไปเกิดบนสุกติโลกสวรรค์แล้วก็จะได้พบศาสนาพสิริอารซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นความดีระดับหนึ่งแต่ก็น่าจะได้ประโยชน์มากกว่านั้นเพราะว่าแนวหมาชาติที่จริงเป็นแนวสอนธรรมะเป็นลีลาชีวิตแล้วก็ตัวละครแต่และตัวที่ปรากฏในเรื่องหมาชาติเนี่ยมันก็คือสังคมนะ เป็นวิถีทางสังคมเป็นตัวแทนของบุคคลแต่ละคนในจังหวะแต่ละตอนเนี่ยราะคนอย่างตัวละครในเรื่องมหาชาติชาดทั้งหดเรื่องเบสนสนนชาดทั้งหมดมันก็มีอยู่เด๋ยวนี้โดยความคิดความอ่านด้วยโลกคัตทัตโ ด, ดยชีวทั์เนี่ยมันก็แนวนั้นน่ะแล้วก็เราถ้าศึกษาในแนววิเคราะห์วิจารณ์นะแต่เราศึกษาในเชิงวรรณคดีวิจาร โอมันจะกลายเป็นหนังสือเล่มใหญ่ทีเดียวเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นธรรมารีลาแต่ว่ามีเจตนาแล้วมีการกระทําแล้วมีผลได้เกิดขึ้นจากการกระทําแล้วเพราะฉนั้นมันก็ออกมาในรูปที่ถ้าเราไม่มองให้ทะลุบางคนก็มองเป็นนวนิยายที่ขาดพื้นฐานความจริงก็จบปิดประตูล็อกตัวเองนะขังตัวเอง แต่ถ้าคนมองด้วยความศรัทธาเรื่องใสอย่างน้อยฟังให้ใจสงบอยู่กับธรรมะที่ทันเทศมันก็เป็นบุญเป็นกุศลระดับธรรมสวรรค์ใหม่แม้จะตั้งความปรารถนาจะพ้นศาสนาปณิอานก็ยังดีกว่าผู้ปฏิเสธในแนวของนิทานแต่ถ้าเราติดตามศึกษาวิเคราะห์ปุกลิกภาพแบบพระเจ้ากรุงสนชยัยแบบพนางผุสดีนางวัตีชาลีกันหา ระเ ส, สันดอนพรามกาลิงกา ร, ราะอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นตัวอย่างให้เห็นลักษณะทางูมิศาสสังคมศา ส, สนาวัฒนธรรมประเพณีต่างๆหละการบริหารราชการแผ่นดินการอยู่ร่วมกวับเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงอะไรต่างๆเนี่ยมันจะให้อะไรมากมายในเรื่องมาจาก ตัวตอนบ่ายเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่เวลา 12:45 เนี่ยก็สำนักตำรวจแห่งชาติก็เริ่มปรับกบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุต่มาเคยสังเกตมานานแล้วะว่าตรารวจส่งเจ้าหน้าที่ผู้น้อยมาอย่างมากเนี่ยเราก็ยังไม่เคยเห็นบนรีนะเห็นอย่างเห็นอ้่มากก็แค่พันเอง แล้วท่านก็เอาจริงมาจังก็ทำงานเดี่ยวคนเดียวก็ยังนึกว่าตารวจจริงก็น่าจะเข้าร่วมวันก่อนไปดูข่าวโยย้ายข้าราช ก, การตารวจยังนึกถึงนายตารวจคนหนึ่งที่ท่านกระตือรร้นที่จะเอาตำรวจเข้าค่ายอบรมศีลธรรมแล้วก็ถูกย้ายมาเป็นผู้ช่วย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตำแหน่งจะสูงขึ้นได้อย่างไงก็ไม่รู้แต่รู้สึกว่าคนที่ทํางานอย่างนี้ที่จริงหายากมันให้เขาได้รับให้เขาทําประโยชน์ในจุดที่เขาพอใจจะทํามากกว่าเพราะว่าคนเราถ้ามองไปในแง่ธรรมะแล้วเนี่ยไม่ค่อยติดใจเ ร, เรื่องยดเรื่อสัตว์มันก็จบลงแค่ลงท่านนั้นเองก็ตำแหน่งก็เป็นผลโทด้วยกัน อยู่ตรงน้องก็ผลโทอยู่ตรงนี้ก็ผลโทชื่ออะไรชื่ออุ ด, ดมจเจริญอะไรเนี่ยนามสกุลฝังง่ายๆอ่ะเคยรู้กิจกรรมก็ท่านพยายามเอาตำรวดไปเข้าเข้าใขา่อบรมปฏิบัติทางจิตและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตํารวดไปได้เยอะแต่ว่าทางผู้ใหญ่ะระดับสูงนี่ไม่ค่อยเห็นประโยชน์ตรงนี้คือแทนที่จะสนับสนุนเรื่องประมาณ ก็ไม่มีการสนับสนุนในสุดก็ปรากฏว่าซาซาไปก็ทําไม่ได้ก็การ จ, จ่ายต้องมีนะฮะเวลานี้อย่าพูดเลยกิจกรรมที่เป็นกุศลแล้วพูดแล้วไม่จ่ายสตังเลยเนี่ยไม่มีทางเลยทาอะไรไม่ได้เราะงั้นเป็นเป็นเรื่องที่จะต้องมองแล้วก็หาคุณค่าเรื่องเหล่านี้ได้กระบวนกัญเชิญพรลมสาลิกธาตุมีเรื่องที่อัศจรรย์อยู่ คือปี2527ที่เราไปอัญเชิญครั้งแรกเนี่ยอัตอมาเป็นสักขีพยานเกือบทุกปีนะฮะก็เรียกว่าทุกปีแต่ว่าตอนนี้ไม่ค่อยติดใจอลไรเท่าไหร่เพราะว่าตอนเราอัญเชิญครั้งแรกเนี่ยมีอยู่สามองเวลานี้มีเจ็ดหรือแปดองนะไม่ทราบมาอย่างไงก็เป็นเรื่องแปลกแต่ก็น่าคิดนะฮะเป็นเรื่องแปลก ไม่เข้าใจแต่ว่าก็ควรฟังไว้ก็ป็นพิธีที่ถือว่าสวยงามรูราก็ใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ขบวนเริ่มออกจากหน้าวัดพระแก้วมาจนถึงเข้าไปปฏิสถานที่มนดบพิธีเนี่ยใช้เวลาสิ่ิบ้านาทีท่านประหลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะมาหรืเปเาก็ไม่ทราบนะฮะแต่ว่าตามที่ตโตลงกันไว้เนะีว่าประหลักกระทรวงสถิติการจะมาเป็นประธานในการอัญเชิญพระบรมสาริกธาตุแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะมาเป็นประธานในการรับแล้วก็นําไปประดิษฐานซึ่งก็ยังนึกอยู่นะว่าข้าราชการผู้ใหญ่เหล่านี้ ที่จริงก็พยายามที่จะให้เท้าติดดินหน่อยอย่างท่านนายกที่มีชื่ออะไรกะตาดูดาวเท้าติดดินเนี่ยคืองานเหล่าเนี้ทีจริงมันเป็นงานมวลชนมันแสดงถึงความเป็นพุทธศาสนิกชนงานมีสาขาลในประเทศอินเดียในประเทศสีลังกาเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยพระมหากษัตริย์เป็นผู้นําเลยเนะ ลงอยู่ภาคสนามเองเนะี่ยแล้วก็ตั้งเป็นแคมป์ใหญ่มหุอมาทาพิธีบูชาวิสาขาบูชาเดืองเดือนนะฮะเป็นเดือนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคามีหลายพระองค์ทาจริงกว่าจังกันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนของการศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมอย่างเิวเข้มกันทีเดียว ก็ความฝันที่ตั้งใจเอาไว้แล้วก็คุยกับพลเอกชวลิดยงจะยุดไว้ว่าถ้าเราจะเอาสามเดือนต่อครั้งแล้วก็รณรงค์เรื่องสินธรรมกันแต่ถ้าให้ดีแล้วเนี่ยมันต้องกระจายไปทั่วทุกวัดเลยรณรงค์กันใครจะอาสาสมัครยังไงก็ต่างว่าใช้กิจกรรมรวมศูนย์เห็นวัดห ล, หลายวัดเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งเนเ่าค่ายพุทธบุตรพุทธธรรม ชักชวนคนรักษาศีลห้างดเว้นอบายมุขเอาเจ้าปีหนึ่งเนี่ยสี่ครั้งเนี่ยนะแต่ครั้งละเจ็ดวันเราจะได้อะไรขึ้นมาเยอะไจะได้พบได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราแล้วในสุดก็จะเกิดทราบซึ่งจะมองเห็นคุณค่าแล้วก็จะเลิกละในเรื่องอบายมุขไปได้ทีนี้มาต่อจาก จากนั้นคือจากวันที่สามเป็นต้นไปโครงสร้างมันจะคล้ายกันตลอดไม่เปลี่ยนที่วันที่หกแต่ว่าจริงๆแล้วนี่มันยังมีช่องว่างอยู่นะท่นานสาธาชนจะเห็นว่าประสงค์เจริญพุท ธ, ทธมนต์พิธีถวายพระราชกุศลเจริญจิตภาวนาแล้วก็สิบเอดยสุนทรอกรถวายพระตาหานเพลพอถึงสิบสามก็พิพายถ่ายทอดเสียงวิชาการทางพุทธศาสนาตอนเนี้ย อาจจะเป็นกรมประชาสัมพันธ์หรืออาจจะเป็นพลหน่งเรืออาจจะถ่ายทอดพร้อมกันทั้งสองสถานีตรงนี้ถ้าเราได้ถ่ายทอดแล้วนี่มันมาไกลนะและในขณะเดียวกันที่ด้านด้านชิดด้านต้นต้นมะขามนี่แหละคือด้านหมหาวิทยาลธรรมศาสตร์เนี่ยมันจะมีการเทศมหาชาติการพิปรายเนี่ยอยู่ถวนช่วงกลางของท้องสนามโร และจะมีการถ่ายทอดออกวิทยุใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครึ่งถึงสามชั่วโมงก็จะเชิญวิทยากรในด้านศาสนาเข้ามาและหัวข้อนี่จะเป็นหัวข้อรุ่นมสมัยถึงก็หมายความว่าใครที่ไม่ปรารถนาจะไปเนี่ยเปิดฟังวิทยุได้ทั่วประเทศกลุ่ม ป, ประชาสัมพันธ์ก็ได้พนหนึ่งก็ได้นะแล้วก็ เวลา 15.00 น, นนะฮะก็จะอีกปีริอีกอีกประลำวิธีหนึ่งก็แร่งกันนะฮะก็จะสวดมนต์หมู่ทํานองสรพันยะถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็แสดงกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาประทุเวลา19ตัวเนี้จะถ่ายทอดโดยพนหนึง่ง ว่าถ่ายทอดมาจนถึงสามทุ่มเหมนะมันจะมีเชิญนิมนต์ครูบาอาจารย์มาก็มอบให้คุณขนองพวกลกที่ไปนิมนต์แต่ก็บอกเขามันกันนะครับบอกว่าเอาอย่าเอาพระโ น, โนเนมมากเกินไปเพราะว่าพระที่เข้ามาพูดที่ปริมณฑลทน้ทองสนามหลวงนี่ควรจะมีมวลชนอยู่ด้วยอย่างสมมติว่าระดับพระอาจารย์หมาบัวมาอย่างเงี้ยคนก็มากันเป็นพันๆ หรือเจ้าคุณวัดอัมพวันอย่างเงี้ยเจ้าคุณถาวรที่วัดสปัปปะทุมอะไรเนี่ยปุณิยก็มีมวลชนยเยอะถึงงานปริมณฑลท้องสนามหลวงเนี่ยเราประกาศก็เรียกว่าเป็นเขตพุทธาวาัดนะประกาศเป็นเขตพุทธาวาัดพระก็อยู่เหมือนก็อยู่ในวัดคือห่มจีวรเฉวียงบ่า แต่ว่าก็ไม่ควรจะไปถึงอพอจีวร อ, ออกนะฮะสวมมังสะการะนุ่งสะบองนี่ถึงยังไงก็ตามมันก็น่าเกลียดคนมันเยอะพอในวัดเราก็ไม่ทํานะตามปกติแต่การสวมมังสาการะนุ่งสะบงเฉยๆนี่อยู่ในห้องนะอยู่ในกุฏินี่ทําหรือว่าเดินอยู่ใกล้กุฏินี่ใกล้คณะนี่ทำํำแต่ออกคณะแล้วก็ไม่ทำํำก็ต้องห่มจีวรเรียบร้อยแนละ้ว เพราะในกิจกรรมเหล่านี้เป็นการเสริมความรู้แต่ละข้อการอภิปรายนั้นจะเปลี่ยนแปลงบุคคลไปการเทศมาชาติก็จะเปลี่ยนนะจะเปลี่ยนบุคคลไปเรื่อยๆท่านเจ้าคุณธรรมศริชัยวัดอรุณราชวรารามในท่านอยู่ประจาเป็นผู้เท่าที่ขยันมากแล้วก็วัดมาธาตุเองเนี่ยก็ขยันมาก ท่านรับผิดชอบเองตลอดท้องสนามหลวงมาเป็นคนประสานงานเฉยๆรือถือว่าเป็นเรื่องผู้ใหญ่ให้ท่า น, นท่านทําท่านคุมกันเองเราก็ช่วยสนองงานให้ไม่เคยไม่เคยออกไปคุมเองอนะฮะก็ไปช่วยเป็นตอนๆไปเป็นคนที่แปลกคือรักชาติรักศาสนามากที่น่าประทับใจก็คือเชื่อสายของท่านเนี่ย องหนึ่งเป็นลาวพวนองหนึ่งเป็นมอเ น, นี่ยนะเชื่อสายแต่รักชาติมากรักศาสนามากทุ่มเททุกอย่างเพื่อชาติเพื่อศาสนาอนี่ก็หาพระยากกันะหาคนยากอย่างเงี้ยมาอยังงนีกว่าถ้าภูเท่าสองรูปเน้นสิ้นไปเราก็จะต้องดําเนินงานเองนะต้องคุมเองหรือว่าจะมีผู้ใหญ่รูปไหนลงมาช่วยเนี่ยเราก็อายุพันสามก็เยอะแล้วกันเนี่ย น, นะแต่ว่า เป็นงานที่ยังนึกว่าเราจะพยายามขับเคลื่อนให้ไปอยู่ในจุดที่คำสั่งสานักนายกรัฐมนตรีออกมาแบบถาวรแล้วก็ให้ปฏิบัติเคลื่อนไหวโดยธรรมชาติเลยคล้ายๆกับเทศกาลไหว้รอยพระบาทเทศกาลประจำปีในจังหวัดต่างๆเช่นเป็นเดือนสามที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เ, เนี่ยเขาไม่เคยประกาศเขาไม่เคยมีบอกบุญ หรือไหว้หลวงพ่อโสธรหลวงพ่อวัดไร่ขิงอะเนี่ยคือไม่ต้องบอกบุญบอกดีการคนก็มาเองเพราะว่าอันเป็นเทศกาลประจำถ้าทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็เรียกว่าวางใจได้แต่ก็นั่นแหละมันต้องมีงบประมาณในการดำเนิน ง, งานในแต่ละปีเนี่ยค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับซึ่งเรดีก็ศูนย์ก็จะต้องเป็นหลักในการจ่าย ก็มาจากนี่แหละมาจากเงินที่ญาติโยมช่วยกันบริจาคช่วยกันถอดพระปา่าสี่มุมสนามหลวงนี่เนะี่ยแล้วก็บริจาคไว้เนโอกาสต่างๆตั้งทุนแต่เขาก็จ่ายได้แล้วก็ ด, ดอกผลพอดีดอกมันก็ลดลงไปก็ทำให้งานเนี่ยก็ฟืดไปเยอะเลยแต่เลยเลยก็มาเน้นที่การรักษาสินห้าอาการลดเรณบายมุกเนี่ยเป็นแกนเป็นแกนหลักส่วนอย่างอื่นก็จะรองรองลงไป วันปริมลนท้องสนามรงในแต่ละวันเนี่ยขอเชิญชวนญาโยมพุทบริษัทเข้าไปร่วมกิจกรรมแล้วก็จะได้รับความรู้ความข้าใจในเรื่องราวต่างๆก้องขวางมากยิ่งขึ้นต้องฟังทั้ ง, งหลายแต่รวมมาบทยานในวันนี้ขอยุติไว้ได้ไ ป, ป็นลาวอย่างครานี้ที่สุดนี้ขอความจะเริ่มอุ่งหน้าไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี